มีกายก็เพื่อรู้โพธภาพามีใจก็เพื่อรู้ธรรมรมณ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะอารมณ์หกก็ต้องการตามมานะเมื่อมีตาไปอยู่ในสุญญากาศเนี่ยนะไม่เห็นอะไรสักอย่างนะไปอยู่อวกาศเลยอนะ่ะส่องไปนี่เห็นแต่โลง่งๆนะเห็นอยู่สีเดียวอย่างงี้นะก็ไม่น่าพอใจใช่ไหมถ้ามีตาแล้วก็ปรารถนาสีแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปิยรูปสาตรูปต์ตา ม, มารองกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือ รูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะและธรรมรมทีนี้นะมีเมื่อมีรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมรมเสร็จแล้วก็อยากเห็นะนะเมื่อมีตามีสีก็อยากเห็นมีหูมีเสียงก็อยากได้ยินะนะเคยเสียงเนี่ยมีอยู่ใช่ไหมหูมีอยู่เสียงมีอยู่แต่บางทีไม่ได้ยินใช่ไหมก็เปิดซะหน่อยเพื่อเปิดฟังเป็นต้นเนี่ยนะทีก็มีจมูกจมูกเรามีอะกลิ่นน้ําหอมในขวดนะมนีก็เปิดให้มันได้กลิ่นซะหน่อยอย่างนั้นะ พันจกักขูวิญญาณโสตาวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยจึงเป็นปยรูปสาธรูปในโลกคือเป็นสภาวะที่น่าปรารถนาหน้าพอใจในโลกนั้นการ<ๆ>การเข้าไปเสวยเนี่ยนะการเข้าไปรับรู้เนี่ยถือว่าน่าพอใจมากจากักขูสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสเป็นปยรูปสาตรูปในโลกนั การรับสัมผัสนะอืออย่างเช่นชั่วโมงสัมผัสอาหารเนลยนะอาหารต้องสีกําลังสวยเลยนะเคี้ยวดังกรอบกลิ่นหอมรสก็อร่อยอุ่นๆพอดีเนี่ยนะอืออันนี้รสอะไรนะโอชาวิตามินชั้นเยี่ยมเนี่ยนะแกลืนเสร็จสับเบ็ดเสร็จเลยนะเพราะนี่การรับกระทบสัมผัสเนี่ยถือว่าน่าพอใจมากมันก็รูปประสัญญาคันเต่อไป จากขูดสัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนาขานาสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนากายาสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกนะเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทั้ง6นี้ก็น่าพอใจใช่ไหมพอสัมผัสแล้วได้สุขเวทนานี่ก็ยิ้มนะแต่สัมผัสแล้วทุกขเวทนา ก, ก็เดือดร้อนต้องการไปแสวงหาความสุขแทน รูปสัญญาสัทธสัญญาคันธสัญญารสาสัญญาโพธาสัญญาธาญญาราญญาาญญาธรมสัญญาเป็นปยรูปสาตรูปในโลกนันเอนก็ทรงจําอารมณ์อัะนนะัทรงจำใช่ไหมเคยเห็นสีสวยเคยได้ฟังเสียงเพราะเคยรับกลิ่นหอมๆก็ระลึลกถึงเนี่ยรูปเสียงกลิ่นสัญญาที่ในรูปเสียงกลิ่นรสโพธาและธรรมอรมณ์ นี่ก็เจตนาก็เกิดขึ้นนะนะรูปสันเจตนาสัทธาสันเจตนาคันท่าสันเจตนารสาสันเจตนาโพธภาษันเจตนาธรรมะสันเจตน า, รรน เ, ตนาเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกนั่นนะเป็นปย Soviet รูปสาธรูปก็ความจงใจอ่ะนะจงใจในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยจงใจด้วยกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมต่ออารมณ์นั้นอ่ะนะเช่นพูดถึงอารมณน์นั้นอ่ะนะพูดถึงอารมณ์นั้นอ่ะนะมีพฤติกรรมต่ออารมณ์น้ำคีดถึงอารมณ์นั้นด้วยเจตนาเนี่ยนะ อันนั้นแหละก็ทํากรรมในอารมณ์และหรือรูปปัตนหาสาธตันหาคันธาตันหาราษาตันหาโพธะพะตันหาธรรมะตันหาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกอันตันหาหกนี่ก็ถือว่าตัวตันหาเนี่น่าพอใจบางคนน่ะตันหาไม่ค่อยเกิดนี่อยู่ไม่ค่อยเป็นสุขเลยนะมันต้องตันหากร่มตลอดเวลาเนี่ยนะเพลินด้วยอำนาจตันหาและมีความสุขอันตัวตันหาเนี่ยก็ถือว่าแหมเป็นที่ที่ที่น่าพอใจมากอนะ หรือความตรึกนะนะวิตกรูปปวิตกสัทธาวิตกคันทวิตกรัาวิตกโพธิภาพวิต ก, รตกธรรมวิตกเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกนะนะกันสมน์ว่ากินน้ำชาชมจันนะนะก็ตรึกไปเรื่อยใช่ไหมอยู่ในโลกแห่งความเพอ้อฝันทั้งหลายแหละเนี่ยนะพวกนี้ก็นักคิดนะนะตรึกตึกแต่ว่าโดยโดยมากก็กุศลวิตตกนะนะแต่ตรึกในกุศลแล้ววิตกก็น่าพอใจในโลกนะถือว่าเป็นสภาวะที่น่าพอใจมากคิดเป็นกุศลได้เอาเนี่ คำว่าปียรูปสาธรูปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่อักุศลหรืออภยกรตะอย่างเดียวนั้นรวมทั้งกุศลด้วยนั้นรูปปวิตกกเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงธรรมวิตกดีไม่ดีเป็นฌานาจิตในซ้ําไปหมายถึงในองค์ฌานด้วยนันองฌานเนี่ยนะองฌานนี้ก็น่าพอใจในโลกนะหรือรูปปวิจารสัทธวิจาร์กันทวิจารณรส า, าวิจารณโพธภาพวิจารธรรมวิจาร์เป็นปียรูปสาธรูปในโลกเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปียรูปทั้งหลา ย, ยานั่นคือ สภาวะที่น่าพอใจทั้งหลายสภาวะที่น่ารักทั้งหลายถ้าว่าไปก็แบ่งออกเป็นหกสิบนะนะคืออายตนาภายใน6อายตนาภายนอก6วิญญาหกภาษาหเวทนาหกสัญญาหกเจตนาหตัณหาหกวิตตกหวิจารหนะกเนี่ยนะก็หคูณเอ่อคือว่า10องค์ธรรมสิบนะคูณ6หกทวารก็ได้ห0สิบ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 นิพพานเนี่ยไม่เคลื่อนคือเที่ยงยั่งยืนมั่นคงเป็นธรรมะไม่แปรปรวนเพราะเป็นอาสังกัตธ า, าตุกัเที่ยงอยู่แล้วนนเพราะฉะนั้นดูก่อนเหมะกะบทนิพพานเนี่ยเป็นบทที่ไม่เคลื่อนนิพพานที่ไม่เคลื่อนอันนี้แหละเป็นที่บรรเทาฉันทราคะในปยรูปสาตรูปทั้งหลายทั้งที่ได้เห็นที่ได้ยินที่ได้ทราบที่ได้รู้แจง้งเนี่ยทัานถือว่า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 อันคำว่าเอตังเนี่ยนะเป็นชื่อของอมตะนิพานความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความคลายกำหนัดความดับความออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรับคำว่าพระาหันเนี่ยท่านรู้ทั่วนะพาหันเนี่ยรู้ทั่วบทคือ น, นิพานก่อนที่ท่านจะรู้บทนิพานคือท่านรู้อริยสัจก่อน รู้ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกขธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาปฏิจจส ม, มุปบาทอนุโลมปฏิโลมตรัสรู้อริยสัจประมวลรู้อาสวะเหตุเกิดความดับข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะรูเ้เหตุเกิดความดับอาศะทา่อาอธีนวานิสรณะของอุปาทานขันห้ามหาภูตรูป4ี่ภาษายตนาหกรู้อภิญยยธรรมปริญยยธรรมปรหาตปธรรมภาเวตปธรรมสัจจิกาตปธรรม นนะจนถึงรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาอันพระอรหันต์เนี่ยท่านรู้อริยสัจเนี่ยนะเห็นพระนิพพานเพราะตรัสรู้อริยสัจดังนี้ท่านเป็นผู้มีสติคือมีสติเจริญสติประฐานพิจารณาเห็นกายในกายมีสติเจริญผิดสติประธา น, านคือพิจรรารณาเห็นเวทนาในเวทนา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 สิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาคือถ้าบรรลุอสังคต ธ, ธรรมเนี่ยนะสังคต ธ, ธรรมเหล่านั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาคือไม่ก่อร่างสร้างสมต่อไปอันพาหันเนี่ยเป็นผู้ดับแล้วชื่อว่าดับแล้วก็เพราะเป็นผู้ยังราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความฤษยาความตรนีเป็นต้น น, นะนะตลอดจนถึงอกุศลาพิสังขารเนี่ยให้ดับจึงเรียกว่าผู้ดับ อั้นคําว่าดับนี่ก็คือดับบาปดับอกุศลดับสมุทัยสัตดับกิเลสดับกรรมทั้งหมดนั่นเองคําว่าเข้าไปสงบเนี่ยนะก็คือเข้าไปสงบแล้วสงบแล้วเข้าไปสงบแล้วเข้าไปสงบวิเศษดับแล้วระงับแล้วเพราะความที่ราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธนะริษยาตรณีเป็นต้นเนี่ยจนถึงอกุศลาภิสังขารเนี่ยเป็นธรรมชาติสงบแล้วถึงความสงบแล้วไม่แล้วดับแล้ว ปราบไปแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นผู้เข้าไปสงบพระอรหันเนี่ยท่านสงบบาปสงบอกุศลเหล่านั้นได้จริงๆทีนี้การสงบบาปอากุศลของท่านเนี่ยท่านสงบได้ทุกสมัยไม่ใช่สงบเป็นครั้งคราวเนี่ยนะอย่างปุถุชนทั้งหลายถ้าเจริญกุศลก็สงบกิเลสเป็นครั้งคราวในขณะที่กุศลล ะ, ละจิตเกิดแต่พระอรหันเนี่ยเป็นผู้สงบสงบอย่างเงี้ยทุกสมัย คือทุกเมื่อนะในการทั้งปวงสิน้นการทั้งปวงสิน้นการไปนิจการยั่งยืนเนืองเนืองติดต่อไม่เจือกับเหตุอื่นสืบต่อโดยลำดับเหมือนระลอกนะ้ำมิได้มีเอ่อมิได้ว่างสืบต่อไม่ขาซ้ายกาละมีประโยชน์กาละที่ถูกต้องอันผ่ารหัรนี่ท่านไม่มีกิเลสไม่ว่าจะเป็นการปูเรพัฒ หลังพัดเนี่ยนะก่อนอาหารหลังอาหารยามต้นยามกลางยามหลังข้างขึ้นข้างแรงฤดูหนาวฤ ด, ดูร้อนฤดูฝนไวยต้นไวยัยกลางไวยัยหลังเพราะฉะนั้นพระอรหันตตะขีนาศพเนี่ยเป็นผู้เข้าไปสงบแล้วทุกสมัยอันท่าบรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งอายุ7ขวบเนี่ยนะชีวิตหลังจากนั้นไม่มีกิเลสอีกจนกว่าจะจุติจิตพระอรหันต์เกิดนั่นแหละนะสงบจริงๆริงนะสงบตลอดการเวลา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 เฮมะกะมานพ บ, บเนี่ยบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์พร้อมด้วยบริษัทพันหนึ่งส่วนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่สังสมบุญอัทยาศัยมาด้วยกันก็บรรลุธรรมจักสุคือมักเบื้องล่าง